เดี๋ยววันนี้จะมีการถามตอบปัญหาธรรมะเป็นภาษ า, ษาอังกฤษช่วงหลังจากสามโมงไปแล้วประมาณสามโมงสิบนาทีวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เลยเปิดโอกาสใคอยากจะถามปัญหาก็ถามได้ตั้งแต่ในช่วงแรกนี้เลยเพราะถ้าไม่ได้ให้ถามเดี๋ยวจะไม่ได้ถาม ตอนนี้ใครอยากจะถามก็ส่งคําถามเข้ามาได้จะเขียนเป็นข้อความหรือจะถามเองก็ได้มีไมโครโฟนให้ถามได้ทางบ้านใครอยากจะส่งข้อความเข้ามาก็ส่งเข้ามาได้ในตอนนี้วันนี้จะเปิดให้ถามคําถามก่อนเลย เพาเดี๋ยวจะต้องเป็นช่วงภาษาอังกฤษคนที่อยากจะถามคำถามเป็นภาษาไทยอาจจะไม่ได้ถามถ้ารอรอหลังสามโมงเหมือนที่ทำกันทุกวันการถามตอบปัญหาก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งเหมือนกับการฟังเทศฟังธรรมเพราะ ถ้าไม่รู้อะไรก็ถามได้การถามนี้ไม่ได้เป็นการแสดงว่าเราโงา่แสดงว่าเรายังไม่รู้เราอาจจะรู้อย่างอื่นก็เราไม่ได้โง่เพราะถามโง่เพราะฉลาดมีคำพูดว่าคนที่คิดว่าตนเองเป็นคนฉลาด น, นั่นแหละคือคนโง่ สวนคนที่คิดว่าตนยังโง่อยู่คนนั้นหละจะเป็นคนที่จะเป็นคนฉลาดต่อไปเพราะถ้าคิดว่าเป็นคนฉลาดแล้วก็จะไม่แสวงหาความรู้เพิ่มเติมความรู้ที่ไม่รู้มาก็จะไม่มีบรรรู้ส่วนคนที่คนฉลาดนี่จะคิดเสมอว่าตนเองยังโง่อยู่ยังรู้ไม่ครบยังรู้ไม่หมด ยังต้องศึกษาต่อไปยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่าตนเองมีความรู้น้อยมากพอความรู้ที่จะได้รู้เพิ่มเติมนี้มันมีมากมายกายกอง น, นี่คือเรื่องของการเรียนรู้พระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาของผู้รู้คือพระพุทธเจ้าผู้รู้ พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้สิ่งที่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถรู้ได้ด้วยตนเองนี่คือความรู้ของพระพุทธเจ้ารู้ในสิ่งที่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถรู้ได้ด้วยตนเองต้องรอให้พระพุทธเจ้ามาเป็นผู้สอนมาเป็นผู้บอกเท่านั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้ด้วยตนเอง ก็คือพระอริย ส, สัจสีพระอริยสัจสีนี่ไม่มีใครรู้สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาหาความรู้ไปถามใครก็ไม่มีใครรู้พระอริย ส, สัจสีพระพุทธเจ้าเองก็ไม่รู้ว่าพระอริยสัจสี่เป็นอย่างไรเพียงแต่อยากจะรู้ว่าจะทำอย่างไร ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นผู้ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องรู้จากพระอริยสัจสี่พระพุทธเจ้ามีความทุกข์ใจทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เป็นลูกของกษัตริย์มีราชสมบัติมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างมากมายกว่าสามัญชนอย่างพวกเรา แต่ใจของพระพุทธเจ้าก็ยังมีความทุกข์อยู่ทุกข์เพราะเห็นคนแก่ทุกข์เพราะเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์เพราะเห็นคนตายเพราะเป็นเหมือนเห็นกระจกเห็นตัวเองในกระจกเงานั่นเองเวลาเห็นคนแก่ก็เหมือนเราส่องกระจกดูตัวเราต่อไปเราก็ต้องแก่เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วย ก็เห็นตัวเราต่อไปจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นคนตายก็เห็นว่าต่อไปเราก็จะต้องตายเนี่ยพอเห็นว่าตัวเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาเพราะไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตาย แต่ไม่มีใครสามารถหนีพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ พ, พระพุทธเจ้าจึงอยากจะศึกษาดูว่ามีทางที่จะทําให้หลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้หรือไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้หรือไม่ พ, พระพุทธเจ้าก็เลยต้องสละราชสมบัติ พอถ้าอยู่ในวังก็จะไม่มีวันรู้เพราะผู้ที่มีความรู้นี้ไม่ได้อยู่ในวังผู้ที่อยู่ผู้ที่มีความรู้นี้อยู่ตามป่าตามเขาพวกนักบวช ท, ทั้งหลายออพระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปอยู่กับพวกนักบวชเพื่อที่จะได้ศึกษาเรียนรู้วิธีกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจ ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายและกำจัดความแก่ความเจ็บความตา ย, าาาตายอย่างทาวรนต่อไปก็เลยไปศึกษาไปอยู่กับพวกนักบวชแต่พวกนักบวชก็รู้เพียงแต่วิธีที่จะกำจัดความทุกข์ใจได้ชั่วคราวคือด้วยการเข้าไปในสมาธิ เวลานั่งสมาธิใจสงบใจก็ไม่ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายใจก็เลยไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่พอออกจากสมาธิมามาคิดก็มาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายใจก็ทุกข์ขึ้นมาใหม่นี่คือ เราส่งไปถามใครก็ไม่มีใครรู้ว่าทําอย่างไรไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิไม่มีใครรู้ทุกอาจารย์ทั้งหลายรู้ว่าถ้ามีความทุกข์ใจก็ให้ไปนั่งสมาธินั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมา ก็จะทุกข์ใจอีกเวลานึกถึงความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครรู้ว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้เมื่อไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปค้นคว้าไปศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองลองผิดลองถูก วันนี้สัตว์มันมากันเยอะนะนกลิงหัเลิงนะในที่สุดก็ส่งค้นพบพระอริยสัจสี่ความจริงสี่ประการด้วยกันที่ทำให้ผู้ที่ได้รู้ความจริงอันนี้รู้ต้นเหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากอะไรและรู้ธิรู้วิธีที่จะทำให้ความทุกข์ใจ หมดสิ้นไปจากใจได้นี่คือพระอริยสัจสี่ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนพระพุทธเจ้าส่งคนพบว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของใจเองใจอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเป็นต้นอยากอยู่ไปนานๆถ้าเจ็บก็อยากให้หายเร็วๆ อย่างเมื่อกี้นี้โยงคนเองอยากจะให้ช่วยอให้พรให้หายเร็วๆเอไม่สบายอพออยากให้หายเร็วๆมันยังไม่หายใจก็เลยไม่สบายไปด้วยเอทตกใจไปด้วยถ้าใจไม่มีความอยากให้หายก็จะเฉยๆมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเอ เดี๋ยวถึงเวลามันจะหายมันก็หายเองถึงเวลามันไม่หายก็ไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ไปบังคับมันไม่ได้อโอยมถ้าอยากจะคุยกันโยมไปนั่งคุยไกลๆหน่อยได้ไหมตรงนี้มันรบกวนกันออถ้าจะนั่งตรงนี้ขอให้นั่งเยยบๆออถ้าจะคุยไปนั่งตรงที่จอดรถนั้น มันจะได้ไม่รบกวนกันตอนนี้มีคำถามเข้ามาบ้างเลยยังถามคำถามเลยอ่ได้ใครอยากจะถามก็ถามได้กาบนมัสการพ่อแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์สุชาติภพชาตโตคะ่ะหนูขอถามแทนผู้ที่อยากรู้ด้วยคะ่ะคือหนูอยากทราบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราพึ่งตัวเองไม่ไหว หมายถึงว่าเราอาจจะทุกข์มากเราต้องเข้าไปวัดเพื่อพึ่งสิ่งศักดิะะ์สิทธิ์ค่ะท่านช่วยเราได้จริงไหมและข้อสองคือเซียมซีอ่ะมีจริงไหมคะแล้วก็สามารถตอบอะไรในสิ่งที่เราอธิษฐานได้ผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จริงไหมค่ะไม่จริงนะันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงก็คือการรู้อริยสัจสี่นะี่แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ารู้ว่าเราทุกข์ใจเพราะอะไร เราก็กำจัดความทุกข์ใจเราก็กำจัดตัวที่ทำให้เราทุกข์ใจเราก็หายทุกข์เช <c oughs> ่นเราปวดศีรษะเพราะเราเอาค้อนมาทุบศีรษะเราถ้าเราอยากจะให้การปวดศีรษะหายไปเราก็หยุดเอาค้อนมาทุบศีรษะก็เท่านั้นเองแต่เราไม่รู้ว่าเราที่ปวดศีรษะเพราะเราเอาค้อนมาทุบศีรษะเราเราตาบอด นี่พูดตัวยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆความทุกข์ใจพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดจากความอยากของเราอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้สิ่งที่เรามีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอเกิดความทุกข์ใจตัวเองไม่รู้จักวิธีแก้ก็เลยไปถามคนอื่นคนอื่นที่ไม่รู้ก็สอนวิธีแก้ที่ไม่ถูก ให้ไปเสี่ยงเสียงให้ไปกับพระกับอะไรต่างๆให้ไปขอพรพระการกระทำเหล่านี้ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ใจของเราได้ความไม่สบายใจของเราเพราะความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราเองอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นตามที่เราอยากเราก็ทุกข์ใจ อยากให้เขาเป็นกล้วยแต่เขาเป็นส้มหรือเขาเคยเป็นส้มแล้วตอนนี้เขาไปเป็นกล้วยอยากให้เขากลับมาเป็นส้มเขาก็ไม่กลับมาอันนี้เราต้องเข้าใจความจริงเราต้องรู้ความจริงว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีความแน่นอนเราไม่สามารถที่จะไปทำให้มันไม่เปลี่ยนได้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 ว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยากยังไงมันก็ทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เนก็หยุดความอยากเท่านั้นเองหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอหยุดได้ใจก็ไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกับถ้าเราอยากให้ใครอยู่กับเราแล้วเขาไม่อยู่กับเรา ถ้าเราเห็นว่าทำยังไงเขาก็ไม่อยู่กับเราเราก็เปลี่ยนใจเอาไม่อยู่ก็ให้เขาไปก็หมดเรื่องเขาไม่อยากจะอยู่กับเราก็ปล่อยเขาไปพอเราปล่อยเขาไปเราก็หายทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยอมปล่อยไม่ยอมให้เขาไปแต่เขาก็ไปอยู่ดีพอเขาไปเราก็ทุกข์เสียใจแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาอย่างไงเขาก็ต้องไปต่อให้เอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่ ก็ปล่อยเขาไปเสียเขหมดเรื่องเพราะปล่อยแล้วเราก็สบายใจเราก็เป็นอิสระเอเราจะไปมีคนใหม่ก็มีได้เอมีกี่คนก็มีได้มีคนเลือกเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนแต่ถ้ามีเขาคนเดียวแล้วเลือกคนอื่นไม่ได้เอีงโง่หรือฉลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะเลือกได้เยอะแยะให้เลือกเอาจะเอากี่คนก็ได้ ถ้าไม่มีเขาแล้วเราก็เป็นอิสระแต่ถ้ามีเขาเราก็เป็นเหมือนกับเป็นนักนักโทษต้องติดอยู่กับเขาไปจะไปมีใครกับใครที่ไหนก็ไม่ก็ทำไม่ได้จให้มองในโลกในมุมกลับก้างมีการเสียก็มีการได้ มีการได้ก็มีการเสียไม่มีอะไรที่จะได้ได้ได้ได้อย่างเดียวมันต้องมีเสียมีได้ในเรื่องเดียวกันนี่แหละถ้าคิดเป็นแล้วจะไม่ทุกเพราะจะปล่อยวางได้ที่ทุกข์เพราะไม่ปล่อยวางเพราะยึดติดเพราะอยากให้เป็นไปตามความอยากของตนพอไม่เป็นไปตามความอยากของตนก็กินไม่ได้นอนไม่หลับท่านนั่นเองเข้าใจอย่าง ต่อให้ไปกราบาวัดพระแก้วกราบวัดโสธรกราบอะไรก็มันก็ยังทุกข์ใจยอยู่ถ้ายังไม่ยอมปล่อยถ้ายอมปล่อยแล้วไม่ทุกข์ไม่ต้องไปกราบใครให้เสียเวลาไม่ต้องไปเสี่ยงเซียมซีให้เสียเวล า, าคำถามที่มีเข้ามาถางว่าถามได้เลย คำถามจากทางบ้านนะครับทาง Facebook คุณจิรชัยการอยู่ในสมาธิเป็นอย่างไรครับการอยู่กับพุทธโธโดยไม่ส่งจิตออกไปเป็นการอยู่ในสมาธิหรือเปล่าครับเป็นการ ก, การทำสมาธิการที่จะทำให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิต้องมีการจเจริญสติก่อน ต้องใช้สติควบคุมความคิดหยุดความคิดพอความคิดหยุดจิตก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาจิตก็จะสงบแล้วก็มีความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่จะทำให้เราเลิกหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายได้ทำให้เราอยู่คนเดียวได้ ทำให้เราไม่ต้องมีข้าวของเงินทองไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะความสุขจากสมาธินี้มันมันอิ่มกว่ามันไม่มีความทุกข์ตามมาเหมือนกับความสุขที่เราได้รับจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือคนนั้นคนนี้ไม่ช้า ก, ก็เร็วก็จะมีการเปลี่ยนไป มีการเสื่อมไปมีการจากไปพอเขาเปลี่ยนไปเขาเสื่อมไปเขาจากไปความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาในใจเราเพราะเราเสียดายเรายังอยากให้เขาอยู่กับเราเรายังอยากให้เขาไม่เปลี่ยนไม่อยากให้เขาเสื่อมไม่อยากให้เขาจากเราไปนั่นเองแต่ความสุขที่เราได้จากความสงบจากสมาธินี้ มันเป็นความสุขที่เราสามารถมีได้ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักวิธีทำสมาธิแล้วทุกครั้งที่เราอยากจะมีความสุขเราก็ไปนั่งสมาธิเท่านั้นไม่ต้องหาเงินให้เหน็ดเหนื่อยความสุขของเราของพวกเราที่ไม่ได้นั่งสมาธินี้ต้องหาเงินหาทองกันได้เงินได้ทองก็ไปซื้อความสุขต่างๆเดี๋ยวพอเงินทองหมดก็เดือดร้อน เวลาเราจะเริญพุโทโธพุโทโธนี่เรียกว่าเป็นการทำทำทำเหตุที่จะทําให้เกิดผลคือสมาธิถ้าเรานั่งพุโทโธพุโทโธไปไม่คิดอะไรเดี๋ยวจิตก็จะเน่งสงบแล้วจิตก็จะเราก็หยุดพุดโทโธได้เหมือนกับขับรถเวลาเราต้องการจอดรถเราก็ต้องเหยียบเบรกเหยียบไปเรื่อยๆจนกว่ารถจะจอดพอรถจอดเราก็ไม่ต้องเหยียบเบรค เราต้องการสมาธิเราก็ต้องจเจริญสติพุโทโธพุโทโธไปพุโทโธไปจนกว่าเราจะไม่คิดอะไรใจจะนิ่งจะเฉยจะสบายเราก็หยุดพุดโทโธได้คำถามจากคุณสิวารบกวนสอบถามพระอาจารย์ครับต้องเรียนสมาธิเข้าคอร์สไหมครับแค่พุโทโธพุโทโธไปทั้งวันสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับ ผมไม่มีเวลาไปเข้าคอร์สเจ็ดวันสิบวันครับเคือการไปเข้าคอร์สนี้เป็นเพราะว่าผู้ปฏิบัติยังไม่รู้วิธีปฏิบัติว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็เลยต้องไปอาศัยการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติถ้าเรารู้แล้วว่าการปฏิบัติก็คือให้เรามีสติตลอดเวลาแล้วไม่ให้เราไปทํากิจกรรมอย่างอื่นอันนี้ถึง จะทำให้เราสามารถเข้าสมาธิได้ถ้าเรายังไปทำงานทำการไปทำอะไรที่ต้องใช้ความคิดอยู่เราจะไม่สามารถเจริญพุทธโธได้อย่างต่อเนื่องเพราะเวลาทำงานเราก็ต้องใช้ความคิดเวลาเกี่ยวข้องกับคนนั่นคนนี้เราก็ต้องใช้ความคิดพูดคุยกันก็ต้องใช้ความคิดเราก็จะใช้พุทธโธอย่างต่อเนื่องไม่ได้ ถ้าพุโทโธไม่ต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิก็จะสงบยากเพราะใจจะไม่ยอมหยุดคิดใจยังจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถึงคนนั้นคนนี้อยู่ังนั้นการไปเข้าคอสนี้เขาจะไม่ให้เราทำอะไรเลยนอกจากให้เราจเจริญสติเพียงอย่างเดียวควบคู่ไปกับการทำกิจที่จำเป็นเช่นการรับประทานอาหารการหลับนอนอการออกกำลังกาย กับกำลังกายของผู้ปฏิบัติก็ให้เดินจงกรมนั่งนานๆมันก็มุ้ยก็ให้ลุกขึ้นมาเดินเขาก็จะมีตารางเวลาให้ทำเดินกี่โมงเดินแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระเจริญสติต่อด้วยการนั่งสมาธิเมื่อเสร็จเลิกก็ลุกลุกขึ้นไปเดินจงกรมเลือกแยกกันไปเตรียมตัวรับประทานอาหารเมื่อรับประทานอาหารเสร็จก็ให้พักหนึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นก็ให้ลุกมาเดินจงกรมเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิวังคำสอนสวิธีเจริญสติวิธชีเจริญปัญญาว่ารมอย่างไรเขาจะมีตารางให้เรามีกิจกรรมทำถึงตั้งแต่ตื่นจนหลับจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเจริญสติและปัญญาสองอย่างนี้เท้งนั้นเองถ้าเราไม่รู้เราก็ไปเข้าค้อ ถ้าเรารู้แล้วว่าการเจริญสติทำอย่างไรการนั่งสมาธิทำอย่างไรการเจริญปัญญาทำอย่างไรเราก็ไม่ต้องไปเข้าคอ่อนแ้วเราต้องรู้ว่าเราต้องทำมากน้อยเท่าไหร่ด้วยถ้าเราไม่รู้เราอาจจะทำนิดๆหน่นนนอยๆแล้วเราคิดว่าเรากำลังปฏิบัติเช่นเราทาเฉพาะช่วงที่เราว่างจากการทำงานก็มีไม่มาก เดี๋ยวเราไปทำงานเราก็ไม่ได้เจริญสติดังนั้นการไปเข้าคอร์สก็จะทำให้เรารู้วิธีเจริญสติวิธีเจริญปัญญาวิธีนั่งสมาธิถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องไปเข้าคอร์สก็ได้แต่เราต้องทำแบบเข้มขน้นทำอย่างต่อเนื่องไม่ทำอย่างอื่นเลยถ้าอยากจะบรรลุทำอันนี้ต้องถือว่าเป็นงาน ไปงานหลักเมือนกับงานไปทำงานที่บริษัทเลยต้องเลือกเอาว่าจะเอางานทางบริษัทหรือเอางานทางปฏิบัตินะถ้าอยากบรรลุธรรมก็ต้องเอางานทางปฏิบัติถ้าอยากเอาเงินทองก็ต้องไปทำงานที่บริษัทมันจะทำสองอย่างมันก็จะชนกันจะไม่สำเร็จคาถามจากคุณปอครับ ขอเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าการทำบุญการทำทานแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรครับเป็นนั่นเดียวกันนีคำว่าทานแปลว่าการให้เรามีอะไรให้ใครเราก็เรียกว่าเราได้ทำทานพอเราให้แล้วก็จะเกิดผลจากการทำทานคือความสุขใจอิ่มใจอันนี้เราเรียกว่าบุญบุญแปลว่าความสุขใจอิ่มใจ บุญเป็นผลทานเป็นเหตุแต่เราเข้าใจผิดเรามาคิดว่าการให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นพระเราต้องเรียกว่าทานการให้ผู้ที่เป็นพระเราเรียกว่าบุญแต่ความจริงมันไม่ใช่มันเป็นบุญด้วยกันทั้งให้พระก็ได้บุญให้เพื่อนฝูงให้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้บุญเหมือนกันหรือได้ความสุขใจอิ่มใจ แต่เรามาแยกมาเข้าใจผิดเรามาเรียกว่าถ้าเราให้อะไรกับพระเราเรียกว่าทำบุญแต่ถ้าเราให้อะไรกับผู้ที่ไม่เป็นพระเราเรียกว่าทำทานเท่านั้นเองแต่ความจริงเป็นการให้คือเป็นทานคำว่าทานนี่เป็นภาษาบาลีเป็นการให้แปลว่าเป็นการให้ให้สิ่งที่เรามีอยู่เพื่อให้ผู้รับมีความสุขใจอิ่มใจ เป็นบุญสุขใจอิ่มใจคือบุญบุญนี้นอกจากรรทำทาทานแล้วยังมีบุญอีกต้องก้าชนิดด้วยกันที่ทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจเช่นทานก็ทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจศีลก็เป็นการทำใจให้สุขใจอิ่มใจเวลารักษาศีลใจเราจะสบายเวลาทำบาปใจเราจะทุกข์เนี่ยต่างกัน เวทภาวนาก็คือการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาอันนี้ก็ทำให้สุขใจอิมใจอย่างเต็มที่เต็มร้อยต้องได้จากการภาวนานอกจากนั้นเวลาเราทำบุญแล้วเราอุทิศบุญก็เป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งให้คนเป็นแล้วยังให้คนตายได้ด้วยคนเป็นก็ให้ข้าวของเข้าไป คนเป็นก็เอาบุญที่ได้จากการให้เข้าของคนเป็นนี้ไปให้คนตายต่อญาติโยมเอาข้าวของมาถวายพระหรือเอาไปให้ใครก็ได้ก็จะเกิดบุญขึ้นมาในใจบุญในใจนี้ญาติโยมแบ่งให้คนตายได้ โดยการอุทิศในใจไปว่าขออุทิศความอิ่มใจสุขใจที่เป็นบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเช่นบิดามารดาปุยยะตายายถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะรับส่วนความเขาก็จะได้รับความสุขใจอิ่มใจที่เรามีอยู่นี้ไปได้ด้วยนนี่ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งพอเราอุทิศให้คนตายเราก็เกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาอีกนะ บุญที่เกิดจากการช่วยเหลือกันใครเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาอีกบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญเห็นใครก็ทําบุญก็อนุโมทนาสแสดงความยินดีไปกับเขาเราก็ได้เกิดความสุขใจตามเข้าไปทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่ได้ทําแต่พอเขาเห็นเขาทาแล้วเราก็สุขใจไปด้วย พอเรารู้ว่าเราเคยทำบุญแล้วเรามีความสุขใจพอเห็นคนเขาเห็นเขาทำเราก็สุขใจไปกับเขาอีกก็ได้บุญอีกการมาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ก็เป็นบุญนีกฟังแล้วเกิดความเข้าใจในธรรมะเกิดเข้าใจในปัญหาของตนเองว่าเกิดจากอะไรและสามารถนำออกไปแก้ปัญหาได้ก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมากาจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจได้ อ น, นี่คือตัวอย่างของบุญที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทําในพระพุทธศาสนานี่มีอยู่สิบอย่างด้วยกันเมื่อกี้ก็พูดมาห้าหกอย่างแลที่เหลือก็บุญที่เกิดจากการาให้ธรรมะแก่ผู้อื่นถ้าเรามีความรู้ธรรมะเวล า, าคนอื่นเขาทุกข์ใจก็ามาขอคำปรึกษาเราก็ให้ธรรมะเขาไปอันนี้ก็เรียกว่าก็เป็นการให้ธรรมทาน ถ่ายธรรมะก็ทําให้ผู้ที่รับธรรมะเอาไปดับความทุกข์ใจได้มีหลายข้ออีกข้อก็คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องถูกต้องก็คือเห็นว่าทุกนี้เกิดจากความอยากของเราวิธีจะดับความทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงว่าความจริงเป็นอย่างนี้ไปอยาก ใ, ให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอยากแล้วมันจะทุกข์ใจ เพราะมันจะไม่ได้ดังใจอยากออแล้วข้อสุดท้ายก็คือการทำตนเองให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน อ, อ, อย่าถือตัวอย่าอวดดีอวดเก่งอวดใหญ่อวดโตอวดรําอวดรวยออให้เป็นคนเ อ, อเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนจะมีความสุขกว่าเพราะไปอยู่กับใครจะไม่มีใครเขาลังเกียีย ถ้าเราไปอวดเก่งอวดดีอวดแบ่งอวดโตไม่มีใครก็อยากจะคบค้าสมาคมด้วยอเราก็จะไม่มีเพื่อนเราก็จะไม่มีความสุขใจอนี่คือบุญต่างๆที่เกิดจากการทำทานก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เกิดบุญและบุญสูงสุดก็คือบุญที่เกิดจากการภาวนานั่งสมาธิจเจริญปัญญาอื แต่ก่อนที่จะได้บุญที่เกิดจากการภาวนาก็ต้องได้บุญจากการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนถ้าให้ฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะไม่สามารถปฏิบัติให้เกิดบุญอย่างสูงสุดได้ต่อไปคําถามจากคุณสมเกียรติกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าผมปรารถนารักษาศีลห้าตลอดชีวิต เราต้องอารัธนาศีลทุกวันไหมครับไม่ต้องหรอกก็ตั้งใจว่าต่อไปนี้จะรักษาทุกวันตลอดชีวิตก็เท่านั้นเองก็สำคัญนะั้นดอยู่ที่อาราธนาอยู่ที่รักษาอาราธนาแล้วไม่รักษาก็เสียเวลาเปล่าๆขอให้รักษาให้ได้ก็แล้วกันไม่ต้องอารัธนาอาราธนาหนเดียวก็พอคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ขอโอกาสค่ะช่วงนี้มีข่าวคนฆ่าตัวตายถี่มากมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักปฏิบัติมีแว็บหนึ่งที่เกิดความทุกข์และมีจิตนึกถึงเรื่องฆ่าตัวตายแต่ก็มีสติมาตัดความคิดแล้วก็ปฏิบัติต่อขอทราบสาเหตุคนที่ฆ่าตัวตายเคยได้ยินว่าคนที่ฆ่าจะฆ่าอีกถึง500ชาติ ทำอย่างไรถึงเลิกคิดฆ่าตัวตายในชาตินี้ได้คะ่ะปฏิบัติธรรมจะพ้นไหมคะโทษของการฆ่าตัวตายคืออะไรก็นี่ยและการฆ่าตัวตายก็เป็นวิธีที่ที่ผู้ฆ่าตัวตายคิดว่าเป็นการดับความทุกข์ใจของเขาเขาทุกข์ใจมากเขาไม่รู้จะทำไงเขาคิดว่าถ้าตายแล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปออแต่มันหายชั่วคราว พอตายไปมันก็ไม่ได้ไปรับรู้เรื่องที่ทําให้ทุกข์ใจใจก็ไม่ได้ทุกข์แต่เดี๋ยวเฉพาะชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่พอเจอปัญหาแล้วแก้แก้ไม่ได้ก็จะฆ่าตัวตายอีกเพราะว่ามันไม่รู้จักวิธีแก้ที่ถูกต้องเคยแก้ด้วยการฆ่าตัวตายมันก็จะติดเป็นนิสัยไปแต่ถ้าเรามาเจอคนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสากท่านก็มันจะสอนให้เรามาฆ่ากิเลสฆ่าตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์อย่าไปฆ่าร่างกายร่างกายมันไม่ได้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจฆ่าร่างกายความทุกข์ใจก็ยังมีอยู่เวลากลับมาเกิดพอเจอความเจอปัญหาความทุกข์ใจก็โผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าต้องการไม่ให้มีความทุกข์ใจให้ฆ่าตัวที่สร้างความทุกข์ใจ ตัวที่สร้างความทุกข์ใจก็คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆถ้าหยุดความโลภความโกรธความหลงความอยากได้ไม่ต้องฆ่าตัวตายใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่มีเหตุที่จะต้องฆ่าตัวตายในวิธีแก้ปัญหาต้องแก้ด้วยการฆ่ากิเลสที่เราทุกข์เพราะกิเลสของเราอยากได้นู่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เรเขาไม่เป็นก็ทุกข์น้อยใจเสียใจเลยค่าตัวตายประชดเขาไปเออแล้วใครยิ้มนะ่ะคนที่ถูกประชดเขาก็ยิ้มนะสบายเขาก็จะได้ไปมีใหม่ไปทําอะไรของเขาได้มีเราก็ต้องมีคอยมีปัญหากับเราเพราั้นเราต้องมาค่ากิเลสลราเขาเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้ แต่ถ้าเราไม่มีความอยากเปลี่ยนเขาอยากห้ามเขาแล้วเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับเขาเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเราสบายเฉยเมื่อก่อนไม่รู้จักเขาเขาจะกินขี้เราก็ไม่เห็นเดือดร้อนพอมารู้จักเขาแล้วพอเขาจะกินขี้ก็มาเดือดร้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไปยุ่งกับเขาเอง เมื่อก่อนเขาเป็นยังไงก่อนที่เรารู้จักเขาเราไม่เห็นเดือดร้อนเขาทําอะไรพอเรามารู้จักเขาทีนี้เขาทาอะไรเราไปเดือดร้อนพอเราไม่อยากให้เขาทาเท่านั้นเองแต่ตอนที่เราไม่รู้จักเขาเราไม่มีความอยากให้เ้าทําเขาจะทําอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ต้องย้อนกลับไปตอนที่เหมือนกับตอนที่เราไม่ได้รู้จักเขาเขาอยากจะทําอะไรก็ทําไปเขาเคยทํำงี้มาก่อน พอเขามาอยู่กับเราเขาอาจจะเปลี่ยนไปชั่วคราวเดี๋ยวสักพักเขาก็อยากกินขี้เขาก็กลับไปกินขี้ใหม่ใช่ไหมเราจะไปห้ามเขาได้ยังไงคําถามหมดครับหันนั้วนะเออนนี่แหละคือปัญหาของพวกเราคือความอยากของพวกเราเ อ, อ, อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ อ, อ, อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่ พอมีแล้วเดี๋ยวมันไม่มีก็จะเสีย อ, อกเสียใจเอเวลามีก็ดีออกดีใจแต่ไม่รู้ว่าทําไมถึงบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเพราะไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่แน่นอนบางทีมันก็มาบางทีมันก็ไม่มาบางทีมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปบางทีมันก็ไปเร็วบางทีก็ไปช้า บางทีก็ไปพร้อมๆกับเรา เ, ออเดี๋ยวเราก็ต้องไป เ, ออเดี๋ยวร่างกายของเราเราก็ต้องทิ้งมันไป เ, ออเรามาตัวเปล่าๆ เ, เดี๋ยวเวลาเราไปเราก็เอาตัวเปล่าๆไปเราไม่ได้เอาอะไรติดตัวกับเราไปของต่างๆที่เรามีอยู่นี้ดีขนาดไหนให้ความสุขกับเรามากขนาดไหนพอถึงเวลาที่ร่างกายมันหยุดหายใจเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เลย แม้แต่ร่างกายของเราก็ออกไปไม่ได้เลยให้หัดคิดอย่างนี้เตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วจะได้ทําใจหัดทําใจเตรียมตัวรับกับ ก, บการพัดพากจากกันพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ลวงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาลวงพ้นความตายไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพลากจากกันเป็นธรรมดาลวงพ้นการพัดพลาคจากกันไปไม่ได้รเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น อันนี้ก็คือความรู้ที่จะทำให้เราไม่ง่ททำให้เราไม่หลงทำให้เราไม่โลภถ้าเราคิดถึงความจริงบ่อยๆเราจะไม่อยากจะได้อะไรมากอยากจะได้พอให้อยู่ได้ไปวันๆนึ่นก็พอแล้วแต่ถ้าเราไม่คิดถึงความจริงของชีวิตเราก็อยากได้อยากได้ยิ่งได้มากเท่าไหร่ก็อยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ พอไม่ได้หรือพอสูญเสียไปก็ร้องหม่มร้องไห้เพราะอยากจะได้อยากจะเอาคืนอยากจะเอาสิ่งที่เสียไปคืนกลับมาแต่มันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหาได้ในโลกนี้ก็ต้องทิ้งไปหมดแม้แต่ร่างกายก็เอาไปไม่ได้นี่เกิดเราความจริงที่เราควรที่จะคิดอยู่เรื่อย ที่เราจะทําให้เราหัดเราจะเริ่มหัดปล่อยวางเราจะเริ่มรู้ว่าต่อไปเราต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ไปมีคําถามเข้ า, มาไม่ใช่ยังไม่มีนะมีแล้วเหรออ๋อยังไม่มีถ้ามีก็บอกอก็จะนั้นเราต้องพยายามสอนใจเราเมื่อสอนแล้วใจเรายังไม่ยอมรับความจริงยังไม่ยอมปล่อย เราก็ต้องบังคับให้มันปล่อยวิธีบังคับให้มันปล่อย <CE> ก็ต้องทำให้มันหยุดหยุดคิดหยุดอยากถ้าหยุดคิดได้มันก็จะหยุดอยากหยุดโลภหยุดโกรธหยุดหดลงได้ังนั้นเราดูแล้วว่าในที่สุดเร า, าก็ต้องปล่อยทุกอย่างทิ้งทุกอย่างแต่ใจมันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมทิ้งมันก็จะทำให้เราทุกข์เวลาที่เราต้องทิ้งแล้วมันไม่ยอมทิ้ง เวลาที่เราต้องปล่อยแล้วมันไม่ยอมปล่อยมันจะทำให้เราทุกข์มากถึงกับค่าตัวตายได้เนี่ยก็เพราะถึงเวลาต้องปล่อยไม่เมื่อเราไม่ยอมปล่อยถึงเวลาต้องทิ้งเราไม่ยอมทิ้งเราก็เลยทุกข์มากมีคำถามงั้นเราต้องใช้สมาธิใช้สติบังคับให้มันปล่อยให้มันหยุดคิดหยุดอยาก พอจิตสงบมันก็จะปล่อยได้อ้าวถามต่อข อ, อกราบน้ำมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีมีคือเถียงกับพ่อกับแม่มาตลอดว่าที่บ้านเราควรมีสารพระภูมิไหมคะแล้วในสารนั้นมันมีอะไรอยู่ในนั้นพ่อแม่ถึงค้านกับหนูแบบคือมันเป็นความเชื่อของคนโบราณเชื่อว่าแต่ละบ้านแต่ละที่จะมีเทวดามีกายทิพย์ นี้เราก็อยากจะให้กายทิพย์ปกป้องคุ้มครองรักษาเราเราก็เลยสร้างบ้านให้เขาอยู่เท่านั้นเองอมันเป็นความเชื่ อ, อความจริงกายทิพย์ก็มีแต่เขาไม่มามีหน้าที่มาเป็นยามเฝ้าบ้านให้เราเขาก็อยู่ไปตามภาษาของเขาแต่นหนูเถียงเขาตลอดหนุก็กไม่ผิดใช่ไหมจะว่าผิดก็ไม่ผิดแต่มันผิดตรงที่ไปเถียง <laughs> อะอาจารอ์ถ้าเรารู้ว่า มันไม่มีเขาคิดว่ามีก็ปล่อยให้เขาคิดไปอเขาเป็นคนตาบอดเราเป็นคนตาดีคนตาบอดเขาก็มองไม่เห็นอะไรเขาก็ต้องเชื่อไปตามที่เขาคิดะแต่เขาจะบังคับให้หนูแบบที่บ้านที่กรุงเทพเนี่ยควรจะมีคือทุกครั้งมาจะต้องเหมือนแบบทำการเลี้ยก็ทําให้เขาหน่อยก็แล้วกันเออแต่ไม่ทำทำสิให้เขามีความสุขทําบุญอยากให้พ่อแม่มีความสุขก็ทําบุญตามใจเขาหน่อย ท่านนั้นเงไม่เห็นเสียหายตรงไหนเนี่ยก็ ก็ซื้อสารเจ้ามาสารพระภูมิมาตั้งไว้กหลายหลายหมื่นนะเอาถูกๆก็แล้วกันนาะมันมีแบบถูกๆไม่ต้องไปเอาแบบแพงๆเขาบอกจะต้องบอกให้ดีถ้าดีก็แม่ขอให้พ่อแม่ช่วยจ่ายหน่อยเลยบอกเขาหนูไม่มีเงินบอกเขาก็คาอยู่ในใจตลอดว่าก็บอกเขาบอกเดี๋ยวเจอก็บอกพ่อแม่หนูพ่อขอขอยืมเงินหน่อยได้ไหยอยากจะสร้างสารพระภูมิที่จริงเราไม่มีก็ได้ไม่มีหรอกที่นี่มีที่ไหนเราเนี่ยใช่มันไม่มีหรอก นี่เราเป็นความเชื่อความเชื่อความเชื่อเท่านั้นเองเพรเห็นบ้านอื่นเขามีกลัวเดี๋ยวถ้าเราไม่มีเดี๋ยวเกิดฝนตกหรือพายุมาบ้านอื่นไม่พังบ้านเราพังนี่ก็จะกลัวอย่างนั้นไฟไหม้บ้านอื่นไม่ไหม้แต่ไฟบ้านเราไหม้เขาจะคิดว่านี่เพราะไม่มีสารพระภูมิขโมยขึ้นบ้านบ้านไม่บ้านอื่นไม่ขึ้นมาขึ้นบ้านเราอย่างนี้แต่เปลี่ยนยากนะ มันก็เขาต้องมาศึกษาธรรมะต้องมาศึกษาธรรมะมาฟังเทศฟังธรรมก็จะเปลี่ยนได้ฉะนั้นอยู่ด้วยกันอยู่อย่างมีความสุขเถิดอะไรยอมกันได้ก็ยอมกันไปเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเขาก็เป็นบิดามารดาผู้บังเกิดก้าวผู้มีพระคุณกับเรามากอย่ามาทำให้เขาทุกข์กับไอ้เรื่องแค่นี้เลย เสียอะไรมากกว่านี้ยังเสียได้ทําไมเสียเงินแค่ซื้อสารพระภูมิมาตั้งให้เขามีความสุขหน่อยไม่ได้ที่บ้านเขามีแต่ที่บ้านหนูก็บอกให้เขาทำบาป ท, ที่บ้านเขาบอกอชวน ช, ช, ชวนให้เขามาช่วยตั้งให้เออให้เขามาตั้งให้หน่อยแล้วก็ช่วยจ่ายเงินให้หน่อยด้วยเราจะใช้ทีหลังแล้วมีเขาก็จะได้มีความสุขเคือเขาเป็นห่วงเราเข้าใจไหมเขารักเราเขาห่วงเราเขาเห็นว่าเราไม่มีอะไรคุ้มครอง เขาก็เลยอยากให้เรามีอะไรคุ้มครองตามความเชื่อของเขาหนูก็บอกว่าก็นี่ไงเทวดาก็สองท่านอยู่ในบ้านให้อะไรก็ไม่เชื่ออย่างนั้นนเอยก็ไม่เชื่ออย่างนั้นเข้าใจนะอย่าทะเลาะกันอย่ามีเรื่องกัน <l ug> <l ug> รักกันอันไหนพอจะยอมกันได้ก็ยอมกันไปเถอิดมันได้มันได้คุ้มเสียลงทุนนิดหน่อยแต่ได้ ความสุขกลับมาเขาก็สุขเราก็สุขไม่ต้องมานั่งเถียงปากเปียกปากฉีกออ mm hmm. แล้วโกรธกันเกลียดกันไปไม่ยอมมองหน้ากันไม่ยอมมาเยี่ยมเยียนกันเพราะเรื่องนิดเดียวเหมือนกันลิ้นกับฝันขบกันหน่อยเดียวนั่นเองยอมกันไปเถิดแล้วจะมีความสุขถ้ามันไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายก็ทําไปเอถ้ามันผิดกฎหมายผิดศีลก็เราก็ต้องยืนยันแล้วทําไม่ได้เออ ถ้าเขาอยากจะทําก็ช่วยไม่ได้เขาอยากจะโกรธก็ช่วยไม่ได้เพราะนั้นมันมันมีเรามีเรามีขีดเส้นไว้ข้ามเส้นนี้ไม่ได้ข้ามเส้นข้ามข้ามเส้นของศีลธรรมของกฎหมายไม่ได้แต่ถ้าอะไรไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายก็ทําไปเราจะมีความสุขด้วยกันจะทดแทนบุญคุณในการให้พ่อแม่มีความสุขก็เป็นการทดแทนบุญคุณแล้วล่ะ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 ก็ทำให้มันแน่นสิมันยากขนานเลยไปเรียกช่างเข้ามาให้เขามาตั้งใหม่ดินมันอาจจะซุดหรืออะไรก็เสริมมันสิเทคอนกรีตหรือทำอะไรอะไรทาอะไรอย่างอื่นทำได้พอสารพรภูมิทำไม่ได้ทำไมรถเสียก็ทำไงก็ส่งเข้าอู่ได้ไม่สบายก็ไปโรงพยาบาลสารพรภูมิก็ไปเรียกช่างช่างก่อสร้างก็ามา ช่วยตั้งสารให้หน่อยไวม้มันเองแล้วก็ทานั้นเองไม่ต้องไปเรียกพราม์ไม่ต้องมาทำพิธีหรอกแตถ่ถ้าเชื่อพิธีก็ต้องไปเชิญพรามมาไปปรึกษาพรามก่อนเพราะมันเรื่องของพรามสารพระพูมิถามว่าพรามควรจะทำอย่างไรดีจากคุณสนิมกินเหล็กขอโอกาสครับ โดนรุ่นพี่บังคับกินเหล้าถ้าไม่ทาจะอยู่ในสังคมนี้ยากแต่ในใจนี้มั่นคงในศีลพอสมควรรู้สึกฝืนมากๆครับขอคำแนะนำจากพ่อแม่ครูอาจารย์ครับก็ไปอยู่สังคมของคนโง่ทงไาไมเราคนฉลาดเราก็ต้องไปอยู่กับคนฉล า, าดสิ <S <S คนฉล า, าดก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ตรนั้นโง่ทั้งนั้นจะอยากจะฉลาดก็ไปอยู่กับคนฉลาดไปอยู่กับคนมีศีลมีธรรมเมื่อเรามีศีลมีธรรมเราจะไปอยู่กับคนไม่มีศีลมีธรรมไม่ได้หรอกเหมือนน้ามันกับนนะ้ํามันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันปนกันไม่ได้ต่อให้ใส่ไปในขวดเดียวแลว้วเขย่ากันยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องแยกออกจากกันเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วคนก็ต้องแยกออกจากสังคมถ้าคุณเป็นคนที่มีความแน่วแน่ต่อศีลและธรรม คนจะเล่กว่าอยู่กับคนที่ไม่มีศีลไม่ได้เดี๋ยวคนก็ต้องไปบวชในที่สุดก็ต้องไปอยู่วัดคำถามจากคุณชูีิรักทำอย่างไรจึงจะทำให้จิตคุ้นเคยกับการฆ่ากิเลสก็ฆ่ามันบ่อยๆสิ ทุกครั้งที่โลกก็หยุดมันอยากซื้อกระเป๋าก็อย่าไปซื้ออยากจะซื้อร อ, อ, อ, อ, องเท้าก็อย่าไปซื้อถ้ามันไม่จําเป็นต้องซื้ออยากจะไปเที่ยวก็อย่าไปเที่ยวหัดทไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะติดเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วต่อไปมันก็จะฆ่ากิเลสอย่างสนุกเลยยเพราะยิ่งฆ่ายิ่งมีความสุขเนี่ยฆ่ากิเลสไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ติดก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ติดคุกติดตารางฆ่าได้ทุกเวลา ค่าได้หมดก็ได้เป็นพระอรหนันต์เลยได้เป็นนิพพานคำถามจากคุณมีมี่นะครับมีสองคำถามคำถามที่หนึ่งคนคนหนึ่งบางครั้งทำดีบางทีก็ทำไม่ดีทำให้เห็นชัดเจนว่าไม่ควรยึดติด เพราะทำให้ทุก์เวลาไม่ได้ดังใจควรจะพิจารณาเพิ่มเติมอย่างไรหรือทำอย่างไรไม่ให้หลงลืมตอนนี้เหตุการณ์มันใหม่ๆมันก็คิดบ่อยๆแต่พอผ่านไปก็กลัวจะลืมก็ดูต้องสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากบุคคลแล้วก็เหมือนกันมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปตามเวลาตามเหตุตามปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสลาบยศสรรเสริญทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปให้คิดอยู่เรื่อย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่ต้องเสื่อมหมดไปไม่ช้าก็เร็วร่างกายของเราก็ต้องเสื่อมหมดไปให้คิดเป็นนิสยัยติดเป็นนิสัยไปเนี่ยเมื่อกี้สอนที่บอกให้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็คือความเสื่อมความไม่แน่นอนของร่างกายทั้งของเราและทั้งของผู้อื่นให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่แน่นอนมีมาเดียวก็มีไป ต่อไปอาจจะไม่มาก็ได้มีแต่ไปคิดอยู่อย่างนี้แล้วต่อไปเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้ไม่ไปพึ่งสิ่งอะไรต่อไปสิ่งที่เราพึ่งได้ก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่เราพึ่งได้เพราะทำให้เรามีความสุขได้จากการปฏิบัติธรรม ทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาไปไม่มีเงินทำทานก็ไม่ต้องทำทานศีลก็รักษาไม่ต้องใช้เงินภาวนาก็ไม่ต้องใช้เงินก็ภาวนาไปรักษาศีลไปใจของเราก็จะมีที่พึ่งทางใจจะมีความสุขทำให้เราไม่ต้องพึ่งอะไรในโลกนี้อีกต่อไปคำถามที่สองเวลาเห็นความอยากของตนแล้วหยุดมันได้ ใช้พุโทโธบ้างและมองที่โทษของมันบ้างก็ทำให้หยุดได้เราทำแบบนี้ควบคู่กับการฝึกสมาธิเพื่อเสริมกําลังในการหยุดใช่ไหมเจ้าคะใช่ก็ต้องทำไปบางอย่างมันก็หยุดง่ายบางอย่างไม่ต้องใช้สมาธิก็ได้แต่บางอย่างมันหยุดยากก็ต้องใช้สมาธิมาช่วยปัญญาบอกเราให้ปล่อยแต่ยังปล่อยไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิไม่มีกาลังพอ โดยเฉพาะของที่เรารักมากๆห่วงมากๆปล่อยยากของที่เราไม่รักไม่ชอบนี่ปล่อยง่ายโยนทิ้งได้ง่ายของอะไรเราเกลียดนี่โยนใส่ทิ้งขยะได้เลยแต่พอเรารักขึ้นมานี่ห่วงเป็นตายยังไงก็ไม่ยอมปล่อยเห็นต้องปล่อยต้องมองเห็นโทษของการห่วงการยึดการติดว่าทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆคาถามจากคุณวิ การที่เราปฏิบัติทำและไม่ได้ทำเป็นที่กรรมเก่าหรือเปล่าคะหรือว่าสาเหตุเกิดจากการที่เราปฏิบัติไม่ถูกเช่าคะอปฏิบัติไม่ถูกมันไม่ใช่กรรมเก่าหรอกปฏิบัติโดยที่ไม่เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องไม่มีครูอาจารย์คอยแนะแนวคอยแก้ปัญหาให้ถ้าปฏิบัติแบบมวยวัดก็จะเป็นอย่างนี้ ถ้าจะปฏิบัติให้ได้เหตุได้ผลต้องมีครูมีอาจารย์แต่ไม่ได้หมายความต้องมีครูอาจารย์มาอยู่ในบ้านมาปฏิบัติพร้อมกับเราครูอาจารย์ก็เหมือนอยู่ที่โรงเรียนเราไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนแต่เราไม่ได้เอาครูอาจารย์กลับมาบ้านเหมือนกันเรามาวัดก็เหมือนมาโรงเรียนมาหาพระหาครูหาอาจารย์มาเรียนรู้วิธีปฏิบัติทำเราเรารู้เราก็กลับไปทำบ้าทําการบ้าน ไปทำการบ้านไปปฏิบัติที่บ้านแล้วพอเราเจอปัญหาเราก็ทําข้อสอบถ้าทําไม่ได้สอบตกก็มาถามอาจารย์ว่าทำไมถึงสอบตกขาดอะไรเกินอะไรไม่ถูกตรงไหนอาจารย์ก็จะแนะนําให้อย่างที่พวกเรามาถามปัญหากันในตอนนี้อันนี้ก็คือการปฏิบัติต้องมีครูมีอาจารย์ผู้ที่รู้จากวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเราถึงสามารถจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง คำถามจากคุณไพโรจน้อมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ครับกระผมฟังคาสอนพระอาจารย์ว่าถ้ามีคนมาขอปลาอย่าให้ปลาสอนให้เขาจับปลาถ้ามีคนมาขอตังเราต้องสอนให้เขาหาตังถูกต้องไหมครับแต่เราไม่ได้ขาดความเมตตาใช่ไหมครับนี่แหละคือความเมตตาที่แท้จริงสอนให้เขาพึ่งตนเอง แต่ในขณะที่เขาไม่มีสตางค์ก็ต้องให้เขาไปก่อนแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องไปทำงาน mm hmm. เงินเดือนยังไม่ออกตอนนี้ก็จ่ายแล้วงอกเงินเดือนให้ก่อนได้นเดือนพอเงินเดือนออกแล้วเราก็ต้องเราก็ไม่ต้องให้เขาแล้ว mm hmm. ก็ให้เขาเขาาช่วยเหลือตัวเองได้พูดง่ายๆคนล้มก็ควรจะช่วยให้เขาลุกขึ้นมายืนให้เขาเดินเองได้อย่าไปอุ้มเขาอุ้มเขาเขาก็สบายเขาก็จะไม่อยากเดิน เขาก็จะปล่อยให้เราอุ้มไปตลอดแต่เราก็ไม่ไหวอุ้มบ่อยๆเราก็ไม่ไหวเหมือนกันหมดแรงต่อไปเขาก็จะต้องทาอะไรเขาก็จะช่วยตัวเองเขาไม่ได้เขาก็จะเดือดร้อนพอไม่มีใครอุ้มเขาแต่ถ้าเขาอุ้มตัวเขาเองได้เขาเดินด้วยได้ด้วยตัวเขาเองเขาก็ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นอีกต่อไปเนีย่ยที่พระเจ้าสอนอัตตาหิอัตโนนาโถก็แบบนี้แหละตอนเป็นที่พึ่งของตน มีคำถามอีกไหมมีครับอ๋อทักสองคำถามเดี๋ยวจะหยุดละจากคุณวัสนากราบน้ัสการพระอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าจะทําอย่างไรให้แม่ลืมเรื่องในอดีต ท, ที่ทําให้เศร้าพูดยังไงก็ยังจดจําและพูดแต่เรื่องเครียดตลอดเลยค่ะให้ท่านเป็นโรคไข้ซ้เอาซัมเมอร์สิเาโรคเอาซัมเมอร์ให้แม่ เดี๋ยวก็ลืมหมดทุกอย่างถามหมอมีวิธีทาให้คนเป็น Alzheimer ไหมถ้าเป็นได้เขาก็จะได้ไม่ก็จะได้ลืมเรื่องต่างๆได้แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นรับกรรมของเขาไปเขาชอบคิดชอบฝันถึงอดีตก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่มีสติไงเพราะไม่มีสติใจมันจะไปอดีตไปอนาคตถ้ามีสติใจจะอยู่ในปัจจุบัน ถ้าอยากให้แม่ไม่มีไม่ไปอดีตก็สอนให้แม่พุโทโธสอนให้แม่สวดมนต์สอนให้แม่ฟังเทศฟังธรรมแล้วต่อไปแม่ก็จะไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตถ้าทำไม่ได้ก็ถามหมอดูว่าอัลซ์เมอร์นี่มีวิธีทำให้คนไปบ <laughs> คำถามจากคุณธรรมนูนอยากจะถามพระอาจารย์ครับกระผมฟังธรรมพระอาจารย์แล้วรู้สึกปลง และเลิกได้เยอะมากกว่าแต่ก่อนมากครับกระผมตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวแต่ตอนนี้มีหนี้สินอยู่พอประมาณกำลังจะขจัดหนี้สินให้หมดแล้วอยากจะเดินตามทางพระอาจารย์คงมีบุญวาสนาได้เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ช่วยพระอาจารย์แนะนำหน่อยนะครับเราจะขายทรัพย์สินทั้งหมดใช้หนี้หรือตัดสินใจตัดจากโลกภายนอกเลยครับ ก็เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจเอาเองเราไปตัดสินใจให้ไม่ได้เดี๋ยวจะมาโทษเราทีหลังว่าเราหลอกให้ขายทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทอง เดี๋ยวมาบวชนั่งอยู่ไม่ได้ต้องกลับต้องศึกออกไปก็จะมาด่าเราเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องตัดสินใจเอาเองจะทําทอย่างไรเราเพียงแต่บอกวิธีการเท่านั้นเองทําได้ก็สาธุอนุโมทนาทําไม่ได้ก็อยู่ไปก่อนอยู่กับกองทุกข์ไปก่อนเอาล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรสําหรับช่วงแรกจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปการปติอิชิตตังปฏทิตตังตุมห um ังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปา จันโทปนาระโสยธามณิโชติอระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวาภิวาตนาสีลิสนิจจงวุทาปจายโน จตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลา